วัดป่าสุกโตแห่งนี้กิจวัตรแรกๆของวันก็คือการทำวัดสดมนและการฟังธรรมพวกเราหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเราล้างหน้าแปรงฟันแล้วเราก็มาฟังธรรมสดมนกันการล้างหน้าแปรงฟันนี้ ถือว่าเป็นการชำระ ก, กายให้สะอาดส่วนการมาทำวัสดมนก็ถือว่ามาเป็นการชำระใจให้สดใสถึงแม้ว่ายังมือดอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าใจิตใจเราสามารถจะแจ่มใสเบิกบานหรือสว่างสวัยได้จากการที่ได้ มาทำสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เกื้อกูลต่อจิตใจส่วนพระาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้ร่างกายเราตื่นตัวขึ้นมาบางคนร่างกายจะยังไม่ตื่นดีนักนะเพราะว่ายังไม่คุ้นแต่ว่าใจเราก็สามารถที่จะตื่นได้ด้วยการที่มานะสวดนมนต์ฟังธรรมกัน บางคนสว่างแล้วนะกายตื่นแต่ว่าใจไม่ตื่นก็มีใจยังหลับไหลอยู่แต่ที่นี่เวลานี้นะแม้ว่ายัางมืดอยู่แต่ใจของเราก็สามารถจะปลุกให้ตื่นได้นะให้สว่างสวายได้ด้วยอนุภาพของธรรมะ เมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาการชำระร่างกายให้สะอาดอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าก็อย่าลืมนะการชำระใจให้สะอาดด้วยเอาผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกายนะแต่ว่าจิตใจอาจจะละเลยไป อันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ละเลยเรื่องจิตใจนะเราทำให้จิตใจของเราสะอาดแจ่มใสนะสดชื่นมันจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ประเสริฐมากมันมีภาษาจีนบอกว่าเนี่ยการเริ่มต้นที่ดี เท่ากับว่าทําสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะว่าถ้าเริ่มต้นดีเราจะสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแต่ก็สําเร็จไปได้เยอะแล้วถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่นะด้วยการทําใจของเราให้ผ่องใสไม่ใช่แค่ทํากายของเราให้สะอาดเท่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับ กา ร, รเผชิญกับสิ่งต่างๆตลอดทั้งวันได้อย่างดีหลวงพ่อคำเขียนใคพูดว่านี่ถ้าหากว่าตั้งต้นจากความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะดีไปเองถ้าเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกตัวด้วยความมีสติ ด้วยใจที่สดใสที่เหลือของวันนะมันก็จะดีไปได้แต่ถ้ า, ากว่าเราทำสิ่งตรงข้ามนะตื่นเช้าขึ้นมาจริงอยู่เราจะล้างหน้าแปรงฟันแต่ว่าเราไม่สนใจจิตใจของเราพอออกจากห้องน้ำเสร็จนะเราแทนที่จะให้อาหารใจ สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเราทําสิ่งอื่นซึ่งอาจจะเป็นการตรงกันข้ามไปเช่นเปิดโทรทัศน์ดูหนังสือพิมพ์หลายคนเริ่มวันแรกเนี่ยด้วยกิจกรรมแบบนี้เนีเปิดโทรทัศน์ดูข่าวคราวข่าวคราวที่รับรู้ในวันแรกอาจจะเป็นข่าวอัจฉรกรรมข่าวอุบัติเหตุข่าวฆ่ากันตาย หรือว่าข่าวความขัดแย้งทางการเมืองพอได้เสพข่าวสารแบบนี้เข้าจิตใจก็หม่นหมองนะเกิดความขุนเคืองใจเกิดความไม่สบายใจยิ่งโดยเฉพาะเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ข่าวคราวมันก็มีแต่เรื่องที่ทําให้เกิดความโกรธแค้นหรืออาจจะชิงชังเพราะมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมาก นี่แทนที่จะทำให้จิตใจสดชื่นตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะหรือว่านาทีแรกแรกของวันนะกับกลายเป็นการทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นการทำให้จิตใจเหมือนกับว่ารับเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปมันก็จะมีผลกระทบนะต่อช่วงเวลาที่เหลือๆของวันได้นะ เมื่อลมต้นด้วยใจที่เศร้าหมองอาจจะเป็นเพราะการเปิดดูข่าวคราวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือแม้แต่ก็ต้องการเปิด Facebook บางคนนี่ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างแรกที่ทำคือดู Facebook นะแล้วสิ่งที่ได้เสพนะสิ่งได้เห็ น, หนจาก a c e b o o k ก็บางครั้งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประเทืองอารมณ์เท่าไร่มีการทะเลาะเบาอแวงกันกมี เรื่องที่กระทบใจจิตใจก็ขุนมัวล้นะไม่ทันจะกินข้าวแลยจิตใจขุนมัวแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมาคือพอมีอะไรมากระทบก็ทำให้ไม่พอใจได้ง่ายมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะตื่นเช้าขึ้นมาแกก็อย่างที่ว่านะอาบน้ำถูฟันเสร็จทาไม่ถึงอาบน้ำล้างหน้าถูฟันอาจจะอา บ, อาบน้ำโดยก็ได้ เสร็จแล้วก็เปิดดูโทรทัศนะ์เห็นข่าวคราวความขัดแย้งทางการเมืองการทะเลาะบ่ อ, อแวงกันอาจจกากกรรมการป้นจี้ฆ่ากันจิตใจก็เศร้าหมองลงมากินข้าวนะบนโต๊ะก็มีลูกสาวอายุสิบขวบกับภรรยาระหว่างที่กินข้าวอยู่นะลูกสาวเกิดทำ แก้วน้ำตกแตกนะพ่อก็ไม่พอใจนะก็ต่อว่าลูกนะอาจจะเป็นพ่อมีความขุ่นมัวมาตั้งแต่เช้าแล้วโดยไม่รู้ตัวพอลูกสาวทาแก้วน้ำตกก็ว่าลูกว่าอย่างเสียหายแม่ไม่พอใจแต่ที่พ่อว่าลูกแรงไปใช้คำที่ไม่ถูกไ ม, ไม่เหมาะสมก็เลยต่อว่า พ่อคือสามีสามีก็เลยนะทันมาทะเลาะ ก, กับภรรยาถาติดพันอยู่พักใหญ่นะก็เหลือดูนาฬิกาเอ้ามันเลยเวลาที่จะต้องออกจากบ้านแล้วจะต้องออกจากบ้านเจ็ดโมงนี่มันเจ็ดโมงสิบห้าก็ไปแล้นะก็เลยรีบขึ้นไปรีบขึ้นห้องเก็บเอกสารใส่กระเป๋า เพื่อเตรียมไปทำงานต้องพาลูกไปส่งที่โรงเรียนด้วยที่กรุงเทพนี่พอออกสายสักสิบนาทีสิบห้าทีนี่ก็เป็นเรื่องแล้วนะอาจจะหมายถึงการไปชา้าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในทีเดียวก็ปกว่าไปส่งลูกสายเลยเวลาไปแล้วลูกก็ถูกครูว่าส่วนตัวเองก็ไปถึงที่ทางานชา้า ก็ถูกเจ้านายต่อว่าเพราะมันมีประชุมใหญ่ประชุมสำคัญกับลูกค้านะเป็นโครงการที่ใช้ที่จะทำให้เกี่ยวข้องกับเงินนะนับร้อยล้านไปประชุมก็ปรากฏว่าลืมเอาเอกสารสำคัญมาเพราะว่าไปตอนที่รีบออกมาจากบ้านนี้ มันเรียกว่าพลนพั น, นลืมเอกสารเอาไว้ที่บ้านก็กลายเป็นว่าการประยุมครั้งนั้นก็ไม่สำเร็จอย่างที่ต้องการก็ถูกเจ้านายต่อว่าหนักเข้าไปใหญ่ว่าคุณนี่ไม่รับผิดชอบเลยนะเรื่องสำคัญนี้ทำไมลืมเอกสารอย่างนี้ไว้ได้เช้า ว, วันนั้นบ่ายวันนั้นก็เลยแย่ไปเลยนะจิตใจคุณมัวไม่มีอารมณ์ทำงาน ยิ่งมีเพื่อนมาหยอกล้อแทนที่จะหยอกล้อหรือว่าเอาอออไปด้วยก็กลับโมโหเพื่อนด่าเพื่อนก็ไปอีกก็กลายเป็นมีปากเสียงกับเพื่อนวันนั้นก็กลายเป็นว่างานก็ไม่ได้เรื่องแถมยังมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วม ง, งานอีกเลิกงานก็อารมณ์บูดนะอารมณ์บูดขับรถกลับบ้านให้ความที่อารมณ์บูดนี่ก็เลยทําให้เกิด การเฉียวชนขึ้นมารถที่อยู่ข้างเราก็ติดระนาวตัวเองกนะ็อารมณ์เสียกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะต้องรอประ ก, กันให้มาให้มาเคลียร์กว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำด้วยความที่อารมณ์เสียก็เลยทะเลาะกับภรรยาต่อถนะามว่าทำาว่าภรรยาเนี่ยนะเป็นสาเหตุที่ทำให้ ไปออกจากบ้านช้าแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบที่แย่ๆตามมาเป็นลูกโซ่ภรรยาก็ไม่พอใจก็เถียงกับกลายเป็นว่าข้าวไม่ได้กินนะนะพ่อไม่มีอ า, ารมณ์จะกินข้าวแล้วการเถียงกันลูกสาวอยู่ในเหตุการณ์ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะถูกครูต่อว่าตั้งแต่เช้าแล้วมาเจอเหตุการณ์ตอนค่ากินข้าวไม่ลง สติเกิดจะแตกแล้วคืนนั้นทุกคนกลับไปนอนด้วยความรู้สึกที่ยแยําแย่นอนไม่หลับนะเพราะเจอแต่เหตุลายทั้งนั้นบางทีไอ้วันที่เราเรียกว่าวันสวยเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากการที่ลูกทำแก้วน้ำแตก จะเริ่มต้นจากการที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแทนที่จะทำใจให้สดใสให้มีความรู้สึกตัวมีสติกับไปเติมสิ่งที่ทำความขุนมัวให้กับจิตใจด้วยการเสบรับข่าวสารนะที่มันไม่เป็นมงคลหรือไม่เป็นกุศลเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้น เช้าวันใหม่ด้วยการอาบน้ำล้างหน้าถูฟันเสร็จแล้วเ <lim a. S 1> ขาก็มานั่งสมาธิมาเจริญสติหรือสวดมนต์ก็จะมีความรู้สึกตัวเขาจะมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานตั้งแต่เช้าพอลงไปกินข้าวเนี่ยถึงแม้ว่าลูกสาวจะทำแก้วน้ำแตกนะแต่เนื่องจากมีสตินะได้ปลูกเอาไว้ได้สร้างเอาไว้นะ มีความสึกตัวตั้งแต่เช้าแล้วเขาก็จะไม่เผลอขุนมัวไม่เผลอด่าว่าลูกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเขาก็อาจจะแค่เตือนลูกเตือนลูกสาวว่าให้กินข้าวระมัดระวังหน่อยนะให้มีสติสักหน่อยนะถ้าก็เตือนอย่างนี้นะก็คงไม่มีเรื่องทะเลาะ ก, กับภรรยาได้เวลาเจ็ดโมงนะเขาก็จะขึ้นไปที่ห้อง เอกสารงานการที่ทำคาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ขับรถก็สามารถจะไปส่งลูกที่โรงเรียนได้ทันเวลาก่อนเวลาได้ซ้ำไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาไม่ต้องโดนเจ้านายด่าว่ามีเวลาเตรียมการประชุมนะ แล้วก็สามารถที่จะเพรยเซนต์งานนำเสนอกอกาสารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ลูกค้าพอใจการตกลงก็เกิดขึ้นเจ้านายก็จะชมว่าเออได้เตรียมงานมาดีเช้าวันนั้นไปจนถึงบ่ายนะเขาก็จะมีอารมณ์ดีมีสมาธิในการทำงานเพื่อนมาหยอกล้อเขากา็หยอกล้อกลับนะไม่มีความขุ่นเคืองก็เรียกว่า วันนั้นทั้งวันนะทำงานด้วยด้วยความสุขสบายงานก็สำเร็จขับรถกลับบ้านก็ไม่มีเรื่องเฉียวชนเพราะว่าไม่ได้อารมณ์บูดกลับถึงบ้านนะเจอลูกเจอภรรยาก็พูดคุยโอภาปาสายกันนะก็เกิดบรรยากาศที่ชื่นมืน่นทุกคนก็เข้านอนด้วยความรู้สึกเป็นสุขสบายไม่มีเรื่องติดค้างใจ เห็นจะเห็นได้ว่าเนี่ยฉากสองฉากหรือเหตุการสองเหตุการณ์นี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะที่มันต่างกันเพราะว่ามันเริ่มต้นต่างกันนะเริ่มต้นต่างกันคือว่าเริ่มต้นเช้า ว, วันใหม่นะด้วยการที่ทําให้จิตใจนะสดชื่นเบิกบานมีความรู้สึกตัวนะเติมอาหารใจ ตั้งแต่เริ่มวันใหม่นะั้นเติมความสึกตัวเติมสติเข้าไปหรือว่าจะเติมสิ่งเศร้าหมอให้กับจิตใจอันนี้มันอ ย, อยู่ที่การเลือกของเรานะั้นเราเลือกได้นะว่าเราจะเริ่มต้นชาววันใหม่ด้วยใจที่สดใสหรือว่าจิตที่ขุ่นมัวนะซึ่งส่วนนั้นก็อยู่ที่การเสพรับข่าวสารข้อมูลหรือว่าการที่จะเติมอะไรให้กับจิตใจด้วย แล้วถ้าเริ่มต้นไม่ดีแล้วนะพอเจออะไรมากระทบนิดหน่อยก็มันก็เกิดอาการเรรวนเป็นขบวนเลยนะเป็นลูกโซ่เลยแต่ถ้าเริ่มต้นดีด้วยใจที่สดใสมีความรู้สึกตัวแม้จะมีอะไรมากระทบนะจิตใจก็ไม่ขุนมัวไม่หวั่นไหวลูกทำแก้วน้ำแตกก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่โกรธลูกนะแต่ตักเตือนลูกด้วยดี ทาที่หลวงพ่อองเขียนบอกว่าเนี่ยถ้าตั้งต้นจากความรู้สึกตัวแล้วนี่ที่เหลือก็จะดีไปเองเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้แหละและมันจะมีความหมายในแง่อื่นนะที่มีคุณค่ากว่า น, นี้ด้วยไม่ใช่แค่การทำงานได้สำเร็จราบรื่นแต่มันยังอาจจะหมายถึงการที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้เจอปัญหามากระทบนะก็ ก้าวข้ามันได้ด้วยใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะด้วยสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนะชำระกายแล้วก็ชําระใจให้สะอาดอนเนี้ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีมความสําคัญมากทุกวันนี้เราให้ความสำคักับกายแล้วเราก็ลืมใจเราหาอาหารให้กับร่างกายเวลาสมื้อหรือบางทีสีห้ามือ้อ แต่อาหารใจเนี่ยเราให้บ้างหรือเปล่านะบางทีแทบไม่ได้ให้เลยเรามีเวลาพักกายนะวันหนึ่งก็เจดดชั่วโมงอาจจะมากกว่านั้นด้ซ้ำหรือบางคนอาจจะน้อยเพราะทำงานเยอะอาจจะเหลือแค่ห้าหกชั่วโมงแต่พักใจนะเราเคยมีบ้างหรือเปล่าเราเคยให้เวลาแก่จิตใจในการได้พักไหม เวลา น, นอนนี่ไม่ได้แปลว่าพักใจนะพักกายก็จริงแต่อาจจะไม่ได้พักใจเพราะว่าตอนนอนใจก็ฝันนะบางทีฝันร้ายด้วยนะตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ฝันก็จริงแต่ฟุ้งแทนเอาคนส่วนใหญ่ไปอย่างนั้นนะกลางคืนฝันกลางวันฟุ้งและตัวที่ทำงานตัวที่ฝันตัวที่ฟุ้งก็คือใจนั่นแหละนะเป็นอนว่ากลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พัก พักแต่กายแต่ใจไม่ได้พัก <Yeah. S 1> เราใช้เวลาจำนวนไม่น้อยในการทำงานในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้มีเงิน้ เ, นเงินที่ได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อการปลนเปิดร่างกายนะซื้อรถผ่อนบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้ออาพรหรือว่าเครื่องประดับ <c oughs> หลวงทั้งหาเครื่องเสียงหาเครื่องอำนวยความสะดวกพวกนี้เป็นการตอบสนองความต้องการทางกายหรือว่าเพื่อปนเปื้อความสะดวกสบายทางกายแต่ใจล่ะนะเราได้ให้เวลากับใจของเราบ้างไหมถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเอียงไปทางด้านการตอบสนองความต้องการทางกายมากกว่าทางใจ เราส่องกระจกดูหน้าตาตัวเองนี่วันละ10 20ครั้งอาจจะถึง30ครั้งก็ได้นะเคยมีการทําสถิติไว้นะแต่ทําสถิติของคนต่างประเทศนะประเทศอังกฤษนี่ทั้งผู้งผู้ชายส่องกระจกดูหน้าตาตัวเองวันละ3ามสกว่าครั้งหรือทุกครึ่งชั่วโมงของเวลาที่ตื่นนะพวกเราจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่แม้กันนั้นเนี่ย ก็ก็มากถ้าเทียบกับการดูใจนะเรามีเวลาให้เวลาการส่องกระจกดูหน้าตัวเองดูกางตัวเองนี่วันละหลายครั้งเป็น10ครั้งแต่ว่าการดูใจของเราเราแทบจะไม่มีเวลาที่จะดูเลยนะั่นชืวิของเราเป็นชีวิตที่ไม่สมดุลอย่างยิ่งนะเป็นชีวิตที่จะเรียกว่ามอในแง่ของจิตใจแล้วก็ไม่เป็นธรรมต่อจิตใจ การที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะมามาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่กายและใจเป็นการทำให้จิตใจของเรานะได้รับการดูแลได้รับการชำระให้สะอาดรวนะมทั้งการ เอาของเสียออกไปจากจิตใจของเราด้วยของเสียของจากร่างกายนี้เราก็ระบายถ่ายเทไปทุกวันแต่ว่าไอ้ของเสียในจิตใจเรามักจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะถ่ายเทออกไปบางคนให้เวลาการล้างพิษถึง1อาทิตย์นะวันยอมลำบากอดอาหารเพื่อล้างพิษออกไปจากร่างกายแต่ก็อาจจะไม่ได้นึกถึงการล้างพิษออกไปจากจิตใจรือ การทําวัดสวดมนต์การมาปฏิบัติทรเจริญสติทำสมาธินี่นะมันก็ก็คือการเติมอาหารกายอาจเติมอาหารให้กับจิตใจเป็นการชําระจิตใจให้สะอาดไม่หม่นมองแล้วก็เป็นการระบายถ่ายเทขับสารพิเออกไปจากจิตใจไปพร้อมๆกันไม่ทําให้เรามีความพร้อมในการดําเนินชีวิตมากขึ้นเพราะว่าชีวิตของเรา เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยงานการเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่กระทบมากมายอาจจะยิ่งกว่าพระซะอีกนะนะพระนี่ก็อยู่ในวัดสิ่งที่กระทบนี่ที่จะทําให้ขุนมัวหรือที่จะทำให้เกิดการขัดอกขัดใจนี่น้อยกว่าพวกเรานะพวกเรานี่ต้องทํางานต้องมีความรับผิดชอบมากเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะมันก็ต้องเจอแรงกระทบกระแทกตามมา จริงอยู่นะพวกเราทุกคนก็มีสติกันทั้งนั้นนะแต่สติที่เรามีเนะี่ยมันไม่เพียงพอหรอกในการที่จะรับมือกับสิ่งที่มากระทบกระแทกในชีวิตประจำวันเพราะว่าพอเจอแล้วก็ทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียดเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ความหงุดหงิดความขุ่นมัวความไม่พอใจมันก็สะสมกลายเป็นตัวบั่นทอน ทั้งจิตใจและร่างกายอย่างที่พูดไว้เมื่อวานและจิตใจนี่ก็ก็กลับถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนนี่มันก็กลับกลายเป็นตัวที่ซึมซับรับเอาความทุกข์หรือว่าเก็บความทุกข์เก็บสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นพิดแก่ชีวิตนี่เอาไว้นะมันไม่ยอมปล่อยนะนอกจากไปเก็บไปสะสมมาให้หมักหมมในจิตใจแล้วบางทีไปยังไปไปหามาเพิ่มเติมด้วยนะ จิต ท, ที่พยศติดจิต ท, ที่ชอบปรุงแต่งมันก็จะชอบเสกสรรปั้นเรื่องต่างๆขึ้นมาที่ทําให้ใจเป็นทุกข์มากขึ้นมีความวิตกกังวลมากขึ้นด้วยให้สิ่งเหล่านี้มารวนแล้วแต่เป็นพิษต่อชีวิตเป็นพิษต่อจิตใจเป็นพิษต่อร่างกายทั้งสิน้นอสติที่เรามีเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สารพิษนี้มันเข้ามาสะสมหมักหมมในจิตใจ หรือว่าเพียงพอสําหรับ ก, การที่จะถ่ายเทออกไปจากจิตใจเราต้องเติมสติเข้าไปให้มากขึ้นหรือว่าฝึกฝนสติของเราให้ว่องไวัยปราดเปรียวเพื่อที่จะทํางานได้คล่องแคล่วรนะวมทั้งเติมปัญญาเพื่อปัญญาในที่นี่หมายถึงปัญญาในทางจิตใจในเรื่องชีวิตนะเพื่อที่ทําให้เรา สามารถจะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบได้ชีวิตบางคนเนี่ยจะราบลื่นนะราบลื่นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นเรียนก็ประสบความสำเร็จทำการงานก็เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่ามีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีเงินทองแต่วันดีคืนดีเนี่ย เจอเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเพียงแค่เหตุการณ์เดียวแต่เนื่องจากไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เลยสติที่มีก็ไม่พอก็ทำให้เกิดละการเสียศูนจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายตามมาถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมานึกเสียใจว่าเราประมาทไปพวกเราคงรู้จักหรือเคยดียนชื่อนะหมอคนหนึ่ง ที่เป็นข่าวคราวเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะชื่อหมอพิสุทธิ์นะบุญกเกษมสันตินะเมื่อสิบปีก่อนนี่เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะเพราะว่าถูกถูกตัดสินประหารชีวิตข้อหาฆ่าภรรยาซึ่งเป็นหมอเหมือนกันไม่ได้ฆ่าเฉยๆนะหั่นศพแล่นเนื้อด้วยเพื่อทำลายหลักฐานเป็นข่าวคราวใหญ่มาก หาวิสุทธิ์นี่เป็นอาจารย์แพทย์นะที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นสูตรีนาฬิแพทย์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเอเชียในเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าร่ำรวยทีเดียวนะจากการให้บริการทำเด็กหลอดแก้วอาจจะเป็นศาสตราจารย์ด้วยซ้ำเงินทองก็มากมาย ชื่อเสียงก็เป็นที่ยอมรับกันทั้งในวงการแพทย์และในวงสังคมชั้นสูงแล้ววันดีคืนดีก็กลายเป็นนักโทษประหารรอวันตายความเป็นนายแพทย์ก็ถูกถอดออกไปเพราะว่าถูกถอดใบประกอบโรคศิลป์แต่ว่าโชคดีนะแล้วการให้อภัยโทษ เหลือโทษประหารเหลือโทษตลอดชีวิตและต่อหลังก็ถูกลดโทษจกนกระทั่งตอนนี้ก็เป็นอิสระและ้วก็มีคนไปสัมภาษณ์นะหมอวิสุทธ์นะซึ่งตอนนี้เป็นนายวิสุทธิเฉยๆเนี่ยแกก็พูดไ้ประโยคหนึ่งย่อหน้าหนึ่งก็ได้นะที่น่าสนใจมากก็บอกว่าเสียใจว่าที่แต่ก่อนเนี่ยเอาแต่ทุ่มเททํางานไม่ค่อยสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่ก่อนในหัวมีแต่เรื่องงานการมีแต่เรื่องงานวิจัยงานวิชาการแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการฝึกฝนจิตใจหรือการคลองสติเลยมาถึงตอนนี้รู้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญกับวิชาความรู้สิ่งที่สําคัญกับวิชาความรู้สิ่งนี้คือการครองสติการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนจิตใจถ้าหากว่าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้นะแกจะให้เวลา ก, การปฏิบัติธรรมมากขึ้น จะไม่มัวจะไม่รอทําตอนแก่ตอนนี้แก่ก็เริ่มมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนะแต่แกยังโชคดีนะที่ยังได้มีโอกาสมาทําตอนแก่เพราะว่าถ้าแก่ไม่ได้การอภัยโทษนี่ก็คงจะไม่ได้แก่นะแล้วก็ไม่ได้เป็นอิสระด้วยนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับ หมอวิสุทธิ์แต่ว่าสามารถจะเป็นบทเรียนเราเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเจอบทเรียนราคาแพงแบบนี้ก็ได้ถ้าเราฟังคําแนะนําของหมอวิสุทธิ์หรือดูจากชีวิตของแกเป็นแบบอย่างนะว่าทําแต่งงานทําแต่งงานแต่ไม่สนใจเรื่องการฝึกฝึกสติการคลองสติสุดท้ายเนี่ยพอเจอเหตุ บางอย่างในชีวิตนี้ก็ลืมตัวตัดสินใจผิดพลาดความตัดสินใจการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็ส่งผลกระทบตามมาแก่ช่วยแก่มากมายชีวิตที่เคยสูงเด่นก็ตกต่ำเหมือนกับแทบจะลงเหวไปเลยแต่ยังดีที่มีโอกาสแก้ตัวเราไม่จาเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราได้กลับมา เห็นความสำคัญของการครองสติการฝึกฝนจิตใจการปฏิบัติธรรมนะไม่หมัวแต่ทาแต่งานการนะหรือว่าปล่อยชีวิตไปนะตามกระแสการฝึกฝนจิตใจนะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ เพราะว่างานการนะสำคัญกว่าหรือว่างานการมันเป็นเรื่องเล่นด่วนเฉพาะหน้ามากกว่าแต่ถ้าเราปลีกเวลาให้กับการเจริญสตนะิการฝึกฝนจิตใจไว้บ้างเนี่ยพอเจออะไรเกิดขึ้นนะที่มันไม่ธรรมดาที่มันไม่ใช่เป็นปกติในชีวิตประจาวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้ แล้วก็สามารถจะก้าวข้ามมันได้ไม่เพียงแต่เพียงเท่านั้นนะมันยังสามารถทำให้ใหสิ่งที่ขุขับขุักในชีวิตประจำวันแรงเสดทานในชีวิตประจำวันในงานการที่เราเคยคิดว่าเราสามารถผ่านมันไปได้เนี่ยถ้าเรามาด้วยความรู้สึกใหม่ด้วยจิตใจที่ใหม่จากการฝึกฝนเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถที่จะผ่านมันไปได้ดีกว่านั้นนะ ด้วยใจที่สดใสกว่านั้นด้วยความสึกที่เป็นปกติยิ่งกว่านั้นได้ให้ความเครียดเลื้อรังที่เคยเกิดขึ้นกับเราความคุณเคืองหมักหมมสะสมที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมามาจจะ ก, กายเป็นความสุขก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เราเปลี่ยนไลายกลายเป็นดีได้ หลวงพ่อค เ, อเขียนท่านย้าอยู่เสมอนะว่าต้องรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธหรือเราจะขยายเพิ่มเติมก็ได้เปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นความไม่เครียดนะไม่เป็นต้องทนความเครียดทนไปเรื่อยๆหรือว่าไปหาทางออกด้วยวิธีอื่นบางคนก็ไปหาทางออกที่เล่านะซึ่งกลับเป็นโทษกับร่างกายแล้วก็บรนทอนจิตใจด้วยนะเราสามารถที่จะ เปลียนความเครียดให้กลายเป็นความไม่เครียดได้นะเป็นความขุนมวยกลายเป็นความไม่ขุนมัวเป็นความปกติไดนะ้ถ้าว่าเรามีวิชานี้นะอ่ะที่ผู้บ่งแต่แรกเป็นวิชาชีวิตนะวิชาทางโลกเนี่ยมันให้ความรู้กับเราในการประกอบอาชีพนะแต่อย่างที่มอสวิสุทธ์ได้บอกไว้ว่าให้การคล่องสติการฝึกฝนจิขขตใจมันสําคัญกับวิชาความรู้สิ วิชาความรู้เพียงแต่ทําให้ทํามาหากินได้สะดวกขึ้นได้คล่องขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าหรือราบตื่อได้กา น, นต้องมีวิชาชีวิตต้องมีสตินะที่ได้รับการฝึกฝนให้ปราดเปรียวว่องไวต้องมีจิตที่ได้รับการกล่อมเกล่าฝึกฝนให้เป็นจิตที่มั่นคง ผ่องสายเบิกบานได้ง่ายอันนี้ก็ช่วยประกอบกันทําให้ไม่เพียงแต่ชีวิตเราไม่เพียงแต่การงานเราประสบความสําเร็จนะแต่ว่าชีวิตของเราก็จะยังเจอนก้อนหน้าแล้วก็ได้พบความสงบเย็นด้วยชานี้ก็เพื่อนเท่านี้นะกรับท่าน